เรื่องเมตตาชาวภูไทยผู้เล่าเคยสังเกตดูท่านจะไม่คลุกคลีด้วยกับบุคคลผู้มักเอาเปรียบข่มเหงรังแกสัตว์โดยเฉพาะพวกช่อราดบางหลวงถึงไม่มีใครบอกท่านท่านก็รู้เข้าไปหาท่านจะเฉยเฉยไม่ค่อยพูดด้วยไม่ยินดีต้อนรับ ส่วนชนต่างชาติต่างภาษาก็มีพมา่าที่ท่านจะยอมรับและเคยไปจำพรรษาส่วนชาวยุโรปท่านดูจะเมตตาชาวรัสเซยียเป็นพิเศษเพราะเหตุใดก็สุดวิสัยที่จะเดาได้ส่วนภูมิประเทศที่ไม่สับปายยาแก่ท่านหากไม่มีความจำเป็นแล้วท่านก็จะไม่ไปเช่นอุบลราชธานี ผู้เล่าเด็กล่าวไว้ว่าหลังจากท่านกลับจากลบบุรีสู่กรุงเทพแล้วท่านพระอาจารย์ได้สนทนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีจันสิริจันโทว่ามีวาสนาจะสอนหมูได้ไหมแล้วท่านก็กลับอุบลไปยังวัดพระอาจารย์เสาพร้อมด้วยพระอาจารย์สิงห์และพระมหาปิน่นระหว่างเดือนทุ ด, ดงรลุกขมูลอยู่ถินอุบล ถูกต่อต้านจากชาวบ้านอย่างแรงด้วยวิธีการต่างๆสารพัดท่านว่าจึงได้ชวนพระอาจารย์เสามุ่งหน้าสู่มุกดาหารคำชอีนนองสูงทิ่นี้เป็นที่อยู่ของชนเผ่าภูไทยสถานที่สับปายะเหมาะแก่การสแสวงหาวิเวกและชาวบ้านก็ให้ความอุปถรัรมป์บำรุงด้วยศรัทธาและเลื่อมใสตั้งแต่เบื้องต้นแห่งชีวิต จนกระทั่งเบื้องปลายแห่งชีวิตก็ได้อาศัยชนเผ่าภูไทยนี่แหละบางคนสงสัยได้กราบเรียนถามท่านว่าเหตุใดท่านพระอาจารย์มักอยู่กับพวกภูไทยท่านตอบว่าเพราะชาวภูไทยว่าง่ายสอนง่ายสิทธิของท่านเป็นเผ่าภูไทยมีชื่อเสียงหลายรูปเช่นพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโร พระอาจารย์สิมพุทธาจาโรเป็นต้นท่านได้กลับไปอุบลสองครั้งครั้งแรกกลับไปส่งมารดาก่อนขึ้นไปเชียงใหม่ครั้งที่สองไปทำชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปอีกเลย